เริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16รกรกฎาคมพุทธศักราช2547รงกับวันแรม15ข้ามเดือน8ปีวอกเป็นวันพระวันธรรมสวนณะวันฟังธรรม การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐเป็นโชคสองชั้นด้วยกันเป็นโอกาสที่ดีโอกาสทองของชีวิตที่เป็นบุญหรือเป็นโชคสองชั้นนี้ก็หมายถึงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นโชคชั้นที่หนึ่ง การได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็เป็นโชคชั้นที่สองเพราะโดยปกติแล้วการจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์<ม>เพื่อมาประกาศสอนพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ยากลาบากอีกหลายล้านเท่าด้วยกัน แต่พวกเรานี้ต้องถือว่าเป็นคนที่มีบุญมีวาสนามีโชคอย่างยิ่งที่ได้มาเกิดและได้เกิดเป็นมนุษย์และได้เจอพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์ของเราก็จะไม่ได้คุประโยชน์เท่ากับการที่ได้เจอพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้คอยนาทางสอนเราให้ไปสู่ความดีความเป ร, เริฐคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้โดยตัวของเราเองอย่างมากที่เราจะทำได้ก็อาศัยบุญบา ร, รมีเก่าถ้าเคยทำบุญทําทานรักษาศีลมาก็ยังทำบุญทําทานรักษาศีลไป ถาเคยนั่งสมาธิก็จะนั่งสมาธิไปแต่จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญวิปัสสนาปัญญาซึ่งเป็นปัญญาที่จะให้มองเห็นทะลุรู้แจ้งตามสภาพความเป็นจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ยังจะหลงยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะทําให้ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ย แต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาคือมีอพระพุทธเจ้ามาประกาศสอนพระธรรมคำสอนสอนถึงความเป็นจริงของโลกนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์สั้งสิ้นความเกิดก็เป็นความทุกข์ความแก่ก็เป็นความทุกข์ความเจ็บก็เป็นความทุกข์ความตายก็เป็นความทุกข์ความพัดรากจากของรักก็เป็นความทุกข์ กา ร, รเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นความทุกข์เหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญกันและไม่ใช่แต่เฉพาะภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเพราะเมื่อเราตายไปเราก็ยังกลับมาเกิดอีกแต่อาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะเป็นอย่างอื่นไปก่อนสลับกันไปนานๆจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่ง เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถสะสมบุญบารมีได้ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นเดรัจฉานโอกาสที่จะสะสมบุญบารมีก็ไม่มีเพราะเดรัจฉานขาดปัญญาที่จะรู้จักแยกแยะเรื่องบาปบุญคุณโทษได้มีแต่จะทําไปตามความต้องการตามความหิวตามความอยากจะผิดศีลอย่างไรก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่อง สำคัญอะไรขอให้ได้มาตามความต้องการเท่านั้นนั่นคือวิสัยของเบราชามีมนุษย์ท่านั้นที่จะมีความสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลาย นี่คือความแตกต่างของภพชาติภพชาติของมนุษย์จึงเป็นภพชาติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ประเสริฐที่มีมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นเป็นสุนัขแล้วมาพบพระพุทธศาสนาเช่นสุนัขที่มาอยู่ที่ในวัดนี้สุนัขเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับประโยชน์ อะไรมากมายจากศาสนาอย่างมากก็ได้อาศัยความร่วมเย็นของศาสนาคือความเมตตาอาศัยอยู่อาศัยกินไปวันวันหนึ่งเท่านั้นแต่จะไม่มีโอกาสได้สะสมบุญบารมีไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมยกจิตของตนให้อยู่เหนือความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ถึง จึงหมายความว่าเป็นโชคสองชั้นด้วยกันเป็นทั้งมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะยินดีต้องถือว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตไม่ควรที่จะไปให้โอกาสอันนี้มันหลุดลอยไปโดยไม่ได้ตักตวงประโยชน์จากการได้เป็นมนุษย์จากการที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเลยเปรียบเหมือนกับ คนที่เดินหลงทางอยู่ในป่าแล้วไปเจอนายพรานผู้รู้ผู้ชำนาญทางอาสาจะพาเราให้เดินให้พ้นออกจากป่าได้ถ้าเราเชื่อนายพรานเราเดินตามนายพรานไปเราก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการหลงเวียนวนเวียนอยู่ในป่า แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ยังต้องหลงวนเวียนอยู่ในป่าไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของพวกเรากับพระพุทธศาสนาพวกเราเหมือนกับคนที่หลงวนเวียนอยู่ในป่าแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสารเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายมานับพบไม่ถ้วนแล้วยังยังต้องดาเนินต่อไปอีกถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดนี้พระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับนายพรานผู้ชำนาญทางทู่รู้วิธีที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วนำไปปฏิบัติเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดำเนินชีวิตไปตามความต้องการของเราชีวิตของเราก็ยังจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแห่งการเกิดตายแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นดังนั้นมันอยู่ที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อและเรานำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปเอาไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าจิตของเราจะค่อยๆเจริญขึ้นค่อยๆ อ, อ, อยู่เหนือความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดพวกชาติของเราจะถูกค่อยๆถูกจำกัดไปตามลำดับแห่งการปฏิบัติจนในที่สุด เราก็จะปฏิบัติจนถึงทำขั้นสูงสุดคือพระนิพพานเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วภพชาติก็จะไม่มีตามมา อ, อีกต่อไปจิตไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขที่ไหนอีกแล้วเพราะความสุขในไจภพนี้ล้วนเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนแร้นอยู่เพราะไปอยู่ภพไหนไปเกิดภพไหน ก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาทั้งสิ้นแม้แต่ภพของเทวดาภพของพรหมก็เป็นเช่นนั้นเกิดเป็นเทวดาสักระยะหนึ่งเมื่อบมดบุญก็จะต้องสิ้นจากความเป็นเทวดาลงกลับมาสู่ภพที่จะภพที่ต่ำลงมาเช่นเดียวกับภพบของพรหมแต่มีภพแต่มีฐานะของจิตที่จะไม่เสื่อม คือถ้าเราได้ปฏิบัติจิตจนถึงขั้นอริยมรรคอริยผลคือขั้นของพระอริยบุคคลพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีตั้งแต่พระโสดาบัดขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ถ้าปฏิบัติธรรมตามคําสอนที่พระเจ้าทรงสั่งสอนละเว้นการกระทําความชั่วทั้งหลายจําระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจดตัด กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นใจของพระอาหารหันต์ไปกลายเป็นใจเป็นจิตนิพพานเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็จะเข้าสู่ปรมังสุขขังคือบรมสุขความสุขที่ประเสริฐที่สุดไม่มีความสุ ข, สขอันใดที่จะเสมอเท่า เพราะเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ปราศจากความทุกข์ปราศจากความเสื่อมจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดอนันตการ <c oughs> นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธศาสนาสามารถมอบให้กับเราได้พระพุทธศาสนาคือสิ่งที่พระพุทธศาสนามอบให้กับเรานั้นถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆในโลกนี้จึงเปรียบคุณค่ากันไม่ได้ มีคุณค่าเหนือกว่ามากมายทีเดียวเพราะการไม่มีความทุกข์นี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่สามารถหนีพ้นความทุกข์ไปได้และเงินทองที่มีมากมายก่ายกองก็จะไม่สามารถ <c oughs> กาจัดความทุกข์นั้นได้ แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่สามารถกำจัดความทุกข์ทุกชนิดให้หมดไปจากจิตจากใจได้ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆมาเหยียบย่ำทำลาย <c oughs> จิตใจได้อีกต่อไปคุณค่าของธรรมะจึงเป็นคุณจึงมีคุณค่ามากยิ่งกว่า สิ่งต่างๆที่เราให้ความให้คุณค่ากับมันเช่นเพชรแหวนเพชรนินจินดาเงินทองทั้งหลายพวกเราถ้ามีใครเขาเปิดร้านขายเพชรขายพลอยแล้วเขาเปิดโอกาสให้เราเข้าไปในร้านของเขาแล้วบอกว่าต้องการอะไรให้หยิบไปเลยแต่ให้เวลาเพียงห้านาทีเท่านั้น เราจะยืนอยู่เฉยๆใจเย็นๆหรือว่าเราจะรีบหยิบรีบเก็บสิ่งต่างๆที่เราต้องการคนฉลาดต้องไม่ยืนเฉยๆอย่างแน่นอนเพราะรู้ว่ามีเวลาน้อยเมื่อเจ้าของร้านเขาอนุญาตให้เราหยิบเพชรนินจินดาที่มีอยู่ในร้านไปโดยไม่ต้องเสียสตางค์เราจะมายืนรอรีได้อย่างไรเราก็ต้องรีบเก็บกันรีบหยิบกันอย่าง อย่างคำักคำแน่นนี่อย่างแน่นอนเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาให้เรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่านั่นเองสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้กับพวกเรายิ่งมีค่ายิ่งกว่าสิ่งที่เจ้าของร้านเพชรพลอยจะให้กับเราเพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะให้กับเรา ได้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่การหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้คือสิ่งที่พระพุทธศาสนามอบให้กับเราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามาเลยมาเอากันไปเลยมรรคผลนิพพาน ยามัวรอรีชีวิตของคุณมีเวลาน้อยมากมีเวลาเพียงไม่กี่ปีชีวิตก็จะหมดแล้วและส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะทำอะไรไม่ได้เมื่อเวลาเราเจ็บเราแก่เราตายเวลานั้นทำอะไรไม่ได้แต่เวลาที่เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บ <c oughs> ยังไม่ตายยังมีกำลังวังชายังมีความสามารถอยู่ อย่าปล่อยให้เวลาอันมีคุณค่านี้ผ่านไปโดยไม่ตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาโบราณท่านสอนว่าน้ำขึ้นให้รีบตักพอน้ำก็เป็นเหมือนกับสิ่งอื่นๆมีขึ้นมีลงน้ำและฤดูผลน้ำจะมีมากในแม่น้ำลำคลองในช่วงนั้นถ้าถ้าไม่รีบเก็บตักสะสมไว้ในตู้ ในบอ่อในไหเวลาถึงหน้าแรงน้ําก็จะลดและจะไม่มีเหลือน้ําเหลืออยู่เลยเวลานั้นถ้าต้องการน้ําก็จะลําบากถ้าไม่ได้ตักเก็บไว้สํารองไว้ฉันใดชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นชีวิตของเรานั้นมันจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับระดับน้ำในในปลายฤดูฝนหลังจาก ฝนหยุดตกแล้วระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเกิดมาแล้วเราก็นับถอยหลังได้เลยว่าชีวันที่เราจะมีอยู่ได้ในโลกนี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆไปแต่ละวันแต่ละวันวันนี้หมดไปโอกาสทองก็หมดไปวันหนึ่งพรุ่งนี้หมดไปโอกาสทองก็หมดไปอีกวันหนึ่ง มลือนี้หมดไปโอกาสทองก็หมดไปอีกวันหนึง่งแล้ววันต่อไปจากวันนั้นก็ไม่แน่ว่าจะมีหรือไม่เพราะชีวิตของคนเหล่านั้นสั้นยาวไม่เท่ากันบางคนโชคดีมีบุญวาสนาก็มีอายุยืนยาวนานบางคนบุญวาสนาน้อยทําบาปทํากรรมม า, มากชีวิตก็สั้นแต่ในขณะที่เรายังมี ชีวิตอยู่ในขณะนี้เรามีความเท่าเทียมกันเราสามารถตักตวงผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่เท่านั้นเราต้องพยายามปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นคือต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อว่าเรานั้นไม่ได้เกิดมาเพียงชาตินี้ชาติเดียว เรายังเกิดติดต่อไปอีกหลังจากที่เราตายไปแล้วและจะเกิดตายเกิดตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจบสิน้นและพบชาติที่เราจะไปเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพบชาติที่ดีเสมอไปภพชาติที่ไม่ดีก็มีอยู่เช่นพบชาติของอบายเช่นเดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรก นี่เป็นภพชาติที่ถ้าเราทำบาปทำกรรมไว้จะต้องไปเสวยกรรมในภพชาติเหล่านั้นภพชาติที่ดีก็ภพชาติของมนุษย์ของเทพของพรหมเป็นผลที่เกิดจากการทำบุญทำความดีละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายและมรรคผลนิพพานก็เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิจเจริญวิปัสนาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิน้นทุกเพราะความไม่เที่ยงทุกเพราะเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในการควบคุมของผู้ผใดมีอะไรมาวันนี้พรนี้ก็อาจจะหมดไปได้ไม่มีใครควบคุมบังคับ ให้อยู่กับตนไปได้เสมอแม้แต่ชีวิตนี้คือสังขารร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้น <c oughs> จะหมดไปเมื่อไหร่ <c oughs> ก็ไม่มีใครจะยับยั้งได้ต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถมาหยุดยั้งได้อย่าว่าแต่พวกหมอดูที่เราไปหาเลย <c oughs> เวลาเราคิดว่าเราจะตายเราก็รีบวิ่งหาหมอดูกันใหญ่ขอให้หมอดูช่วยต่ออายุให้ การต่ออายุนี้ต่อไม่ได้เพราะอายุนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยคือบุญกรรมที่เราได้ทำมาถ้าเราอยากจะมีอายุยืนก็ต้องพยายามทำบุญไปเรื่อยๆทำบุญให้มากๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำบุญในชาตินี้แล้วจะอายุยืนทันทีในชาตินี้เพราะบุญที่เราทำในวันนี้ยังต้องใช้เวลา ที่จะแสดงผลให้เกิดขึ้นเพราะร่างกายที่เราได้มาในในภพนี้ชาตินี้นั้นเป็นผลของบุญกรรมที่เราได้ทํามาในอดีตเราจึงไปกําหนดชีวิตอายุของชีวิตของเราในชาตินี้ไม่ได้แต่เราสามารถกําหนดอายุของชีวิตเราในภพหน้าชาติหน้าได้เราสามารถกําหนดภพชาติในภพชาติหน้า ได้อยู่ที่การกระทําของเราในวันนี้แต่ชีวิตของเรานั้นจะสั้นจะยาวนั้นมันถูกกําหนดมาแล้วด้วยบุญด้วยกรรมที่เราทํามาในอดีตรวมทั้งบุญกรรมที่เราทําในปัจจุบันด้วยก็มีส่วนเช่นถ้าเราประมาทเราเสพสุรายาเมาแล้วไปขับรถยนต์อย่างนี้ก็เป็นกรรมอีกอย่างหนึง่ง จะทำให้ชีวิตของเราสรั้นได้ถ้าเราขับรถด้วยความมึนเมาด้วยความ <c oughs> ประมาทก็จะต้องประสบกับอุบัติเหตุทำให้ถึงแก่ชีวิตได้แต่ถ้าเราฉลาดเรามีปัญญาเราละเว้นจากการเสพสุรายาเมาไม่ต้องไม่แตะของมึนเมาทั้งหลายเวลาขับรถก็ขับด้วยความระมัดระวัง อย่างนี้โอกาสที่จะไปประสบอุบัติเหตุก็แทบจะไม่มีเลยอายุก็จะอยู่ได้ยืนยาวนานขึ้นเพราะบุญกุศลที่เราทําไว้คือความไม่ประมาทนั่นเองเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวของเราทั้งสิน้นอยู่ที่การกระทําของเราเราทําดีผลก็จะต้องดีตามมาทําไม่ดีผลก็จะต้อง เป็นผลที่ไม่ดีตามมาไม่มีใครที่จะมาสามารถแก้การกระทําของเราได้คือถ้าทําไปแล้วจะไปกําหนดให้ผลเป็นอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นไปไม่ได้จึงขอให้เราจงมีความเชื่อมั่นอยู่ในบุญในกรรมให้เรามีความเชื่อมั่นอยู่ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและเรามีความเชื่อมั่นอยู่ใน ผลของการปฏิบัติธรรมว่าจะนำพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแน่นอนดังนั้นเราจะไม่ควรที่ <c oughs> จะมอง <c oughs> อะไรในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้ทั้งสิน้นเรามีสมบัติเข้าของเงินทองมากม้อยเพียงไรสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสมบัติเหล่านั้นไปหรือสมบัติเหล่านั้นก็จะจากเราไปก่อนก็ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองแต่สมบัติที่พระพุทธศาสนามอบให้กับเรานั้น เป็นสมบัติที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสมบัติที่จะอยู่ติดใจของเราไปตลอดเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราที่ไม่มีใครจะสามารถมาแย่งชิงจากเราไปได้ไม่มีใครจะมาขโมยสมบัติที่เราสร้างไว้ใน ใ, นใจได้นี่แหละคือความประเสริฐของสมบัติที่เรียกว่าอริยทรัพย์อริยสมบัติ คือการทําบุญทําทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมโดยการไหว้พระสดมน์ด้วยการนั่งสมาธิทงจิตใจให้สงบและด้วยการเจริญปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปในที่สุดไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับได้ ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราถ้าเราพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาจิตก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่มีปัญหาจะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เวลาร่างกายแก่ใจก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เจ็บ ไม่เจ็บไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเวลาร่างกายแตกดับสลายไปใจก็ไม่ได้แตกดับสลายตามไปด้วย<ม>เพราะใจเป็นธรรมชาติที่ไม่แตกไม่ดับนั่นเอง<ม>เพียงแต่ว่าจะอยู่จะวนเวียน่ายตายเกิดในวัฏสงสารหรือไม่เท่านั้นนี่คือความแตกต่างที่เราสามารถทําใจ ให้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถทาใจของเราให้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเช่น mm hmm. ถ้าร่างกายนี้แตกดับไปแล้วถ้าจิตใจของเราได้รับการชําระด้วยการปฏิบัติธรรมตัดความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นไปจากจิตจากใจ mm hmm. ก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเมื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าทุกข์นั้นย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดปราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ปราบนั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายดังนั้น เราจึงควรที่จะเห็นโทษของการเกิดเพราะมันเป็นการพาเราไปสู่ความทุกข์นั่นเองแล้วเราต้องเห็นโทษของต้นเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดนั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆทั้งหลายนั่นแหละคือต้นเหตุที่เราจะต้องชำระที่เราจะต้องตัดให้ได้ด้วยการ ทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะกำจัดชําระความโลภความโกรธความหลงความอยากอาวิชชาความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่มีต้นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดอีกต่อไป เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจิตก็จะเป็นจิตที่มีแต่ความสุขไปตลอดอนันตการคิดดูซิว่าระหว่างอยู่เฉ ย, เฉยๆต้องมีความสุขกับต้องดิ้นรนขวนขวายหาความสุขที่มีแต่ความทุกข์ติดมาด้วยเราจะเอาอย่างไร อ, อยู่เฉ ย, เฉยๆมีความสุขไม่สบายกว่าเหลย พอไปหาอะไรได้มาแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เมื่อสูญเสียไปอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรมันจะเป็นความสุขได้อย่างไรนักปราชญ์ท่านพิจารณาท่านจึงเห็นว่าการไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงและเป็นธรรมชาติของจิตที่สามารถอยู่ได้จิตไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของต่างๆหรือบุคคลต่างๆ จิตไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านั้นเพื่ออํานวยความสุขแทนที่จะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นกับจะมีแต่ความทุกข์ความกังวลความวุ่นวายใจเวลาอยู่คนเดียวนั้นเราไม่มีความทุกข์กับคนอื่นเวลาเราไปแต่งงานมีสามีมีภรรยาเราก็ต้องไปทุกข์กับสามีกับภรรยาเวลาเรามีลูกก็ต้องไปทุกข์กับลูก อย่างนี้มันสนุกเหรอมันเป็นความฉลาดหรือความโง่กันแน่อยู่เฉยๆอยู่ตัวคนเดียวทำไมอยู่ทำไมไม่เอาเพราะว่าเราอยู่ไม่ได้นั่นเองเพราะใจของเรายังมีความโลภความอยากอยู่คอยหลอกคอยลอ่ อ, ลอทำให้เราเกิดความรู้สึกเหงาว้าวเวมีความหิวมีความกระหายอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มานี่เป็นสิ่งที่ใจ ถูกหลอกด้วยกิเลสตัณหาภายในใจมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ฉลาดที่สามารถมองทะลุถึงปัญหาอันนี้ได้ว่าความทุกข์ของมนุษย์เหล่านี้ก็เกิดจากจิตที่มีกิเลสตัณหาและความสุขของมนุษย์ก็เกิดจากการที่ชำระกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ปฏิบัติและต่อสู้ จนสามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากพระทยของพระองค์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุถึงปรมสุขประะมังสุขขังคือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นแหละเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งหลังจากนั้นแล้วจึงได้นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกที่ฉลาดที่ฟังแล้ว เข้าใจก่อศรัท ธ, ธาขึ้นมาก็นําไปปฏิบัติด้วยความอุตสาหะความภาคเพียนขยันวิริยะแล้วก็ขันติความอดทนความกล้าหาญที่จะลดที่จะละที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพิษเป็นภัยที่เป็นทุกข์ให้กับใจได้จนในที่สุด ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพวกเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมีความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสัมสอนและได้ปฏิบัติมาเราต้องมีความขยันที่จะปฏิบัติทางเราจะต้องมีขันติความอดทนต้องมีความกล้าหาญพร้อมที่กล้าที่จะตัด ที่จะลดที่จะละสมบัติข้าวของเงินทองที่มันเหลือกินเหลือใช้พร้อมที่จะเสียสละยกให้กับผู้อื่นไปอย่างนี้แล้วถ้าเรามีความกล้าหาญดังนี้เราจะสามารถเข้าถึงธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงได้อย่างา ง, ง่ายได้แต่ถ้าเรายังมีความเสียดายยังมีความกลัวความทุกข์ความยากความลาบาก อดกลัวอยากอยู่อย่างนี้รับรองได้ว่าเรายังจะต้องติดอยู่ในคุกของการเวียนว่ายตายเกิดไปแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นผู้ที่จะหลุดพ้นได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งไม่กลัวความอดความอยากความลําบากทั้งหลายที่เกิดจากการปฏิบัติแต่ถ้าถ้าเราถ้าเรามีความกล้าหาญแล้วเราปฏิบัติไป สิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่เป็นอุปสรรคเลยและจะทำให้เราได้ถึง